พุทวัตสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนามาแล้วท่านรับฟังอยู่ที่ FM 106ครอบครัวข่าวหรือว่าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมประเกียิก็จะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละครึ่งชั่วโมงนะคะเราเริ่มต้นด้วยการให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับฟังคาของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้เข้าถึงพระธรรมคาสั่งสอนแล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัติ ที่เสมือนกับว่าได้จากองค์พระศาสดาเลยนะคะโดยการถ่ายทอดของพระมาร์คชาคาวโรวัดนาปาพงลำลูกกาคลองสิบค่ะน้มสักการะท่านค่ะเจริญพรค่ะเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ก่อนปรินิพานใช่ไหมคะว่าเมื่อพระพุทธองค์นั้นปรินิพานไปแล้วจะมีประธรรมและพระวินัยนี้ที่เปรียบเสมือนเป็นพระศาสดาใช่ถูกตอ้องเราก็ใช้ ทำลายวินัยของพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวต่อไปค่ะวันนี้เราก็มาปฏิบัติทำความเพียรพผากิเลสด้วยการเจริญอาณาปนานสติกันต่อพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยแล้วก็มีสติรู้อยู่กลมหายใจเข้าออกเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นออกสั้นรู้จิตหลุดไปคิดก็ให้รีบวางความคิดนั้นเสีย แล้วมีสติอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกายวันนี้จะให้ฟังพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสถึงเรื่องของพระองค์เองท่านได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหรันต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 ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนถึงที่สุดของโลกไว้โดยท่านตรัสไว้ว่าแนเธอ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 ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนภาหิยะในเรื่องของมรรควิธีที่สั้นง่ายที่นำไปสู่การหลุดพ้นไว้ท่านตรัสว่าภาหิยะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟัง ได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิม้มสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มี เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนให้เราเมื่อเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพชพะ ร, รมารมก็สักแต่ว่าได้เห็นได้ฟังได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสและได้รู้แจง้งมรควิธีสักแต่ว่านี้เป็นมรควิธีที่สั้นง่ายซึ่งลถ้าเราหมั่นทำแล้วก็จะทำให้เราไปสู่ที่สุดแห่งทุกได้และเป็นที่สุดแห่งโลกด้วย ในความหมายของพระผู้มีพระภาคเจ้าสาหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแค่เวลาใครที่อยากจะออกจากสมาธิก็ทำได้หรือใครอยากจะอยู่ในสมาธิเพื่อฟังในช่วงถัดไปก็ทำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาประพฤติปฏิบัติกันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ท่านอาจารย์คะอย่างนี้เท่ากับว่าพระพุทธองค์นั้นหมายความว่าทุกข์คือโลกโลกคือทุกข์นั่นเอง ใช่คะ่ะแล้วก็ธรรมะสักว่านี่น่าสนใจมากเลยนะคะเป็ น, ปนทางที่รัดสั้นใช่สั้นง่ายแล้วก็นําไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ได้ค่ะก็ขอให้พบกับที่สุดแห่งทุกข์กัน ท, นทั่วท่วทุกคนแล้วมาติดตามท่านมาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนต้นของรายการนะคะวันนี้นาะมัสการขอบพระคุณท่านคะ่ะเจันทร์พา